เซขาปฏิปาทาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่13มกราคมพศ2547เรื่องการฝึกตนตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจำมใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการ เขาจะบังเกินมีเดทธรรั้หลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้เวลาของเราเรือน้อยอีกน่อยก็สว่างแต่วันนี้เราได้กำไบพอสมควรได้ตื่นขึ้นมาฝึกฝนฝึ ก, ฝกหาพัฒนาตนเองอย่างหน้าอนุโมทนายิ่งเขาเชิญททั้งหลายที่นั่งพนมมืองวางเมืองสะ สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่าให้มันเครียดจวนจะสว่างความหนาวเพิ่มขึ้นในเวลาเช่นนี้เป็นเวลาของลาสมณพราหมณ์ผู้เพียรเพ่งฝึกหัดพัฒนามีตนอนสงไปแล้ว เวลากลางคืนเวลาเช่นนี้เป็นเวลาของคนสี่จำพวกที่ได้ประโยชน์จากมัน <c oughs> คนหนุ่มคนสาว <c oughs> ที่ชื่นชมยินดีในความรักของกาลกัดเ <c oughs> ขาจะหลักน้อยตื่นมาก อีกพวกหนึ่งพวกโจรพวกขโมยเขาจะคอยคอยจังหวะรอโอกาสเพื่อจะลักล่วงตัดท่องย่องเบาขโมยทรัพย์สมบัติของคนอื่นกลางคืนเขาก็นอนน้อ ย, อยคอยสังเกตว่าจะของทรัพย์เขาหรับหรืออย่างโอกาสนี้เหมาะไหมเสียหรับเรา เขาไม่ได้นอนมากถ้าเขาจะมากเขาคงจะไปนอนอบ้างกลางวังพระราชาผู้เจริญทัศพิษธรรมาราที่เราได้ยินว่าทัศพิษราชธรรมธรรมของพระราชาไม่ได้คอยได้หลับได้นอนหรอกก็อําบุญเกินตื่นดึกลุกเช้านอนก็นอนน้อย เติมมาคิดคุ้นพิจารณาหาว่าทับชลายหนอพระสงฆ์ก่อนของเราเพลยฟ้าอาณาประชาราชจะอยู่เย็นเป็นสุดหน้าที่ตรงไหนมีน้อน้ำท่วมมีไฟไหมพ ร, พระองค์จะพระองค์จะคุ้นคิดหาวิธีจะแก้ปัญหานั้นความทุกข์ องถวยราชความทุกข์ของแผ่นดินคือความทุกข์ของพระราชาผู้ทรงธรรมส่วนประเภทสุดท้ายบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตคนจำพวกนี้หลับน้อยตื่นนานยางพวกเราต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสอง เวลาที่ชาวโลกเขาหลับไหลเขาเหมือนกระทบรบกวนกันขณะที่เขาเหลับเราตื่นเพื่อจะเอาประโยชน์ในการฝึกตนมันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากเป็นเวลาที่สงบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบาททาัติทางจิตทางใจถึงที่พระเจ้าท่านจัดอยู่ในระบบเสขัปฏิบิทาว่า ชาคิยานุโยคังเรืยว่าชาคิยานุโยกชาคิยานุยุโตตามประกอบความตื่นแล้วทำความเพียรชาวโลกเขาทำงานหนักในการสแสวงหานิ่งรนต่อสู้ออยื้แย่งสแสวงหาปากกัดตีนที่ปาแผวกหลังหนุน เขาจะต้องนอนพักผ่อนตามลักษณะของเขาเพาะว่า8ชั่วโมงจีเพอดีก็ถูกเพราะร่างกายมันหนักมันงานมากแต่อย่างพวกเรามันมากเกิน8ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ก็เหลือเฟือพวกเราไม่ได้ใช้พลังงานทางกายการบริโภคก็เช่นเดียวกัน ที่ท่านบอกว่าโอเชเนมตันจุตารู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคปัจจัยสี่ทุกชนิดให้รู้จักประมาณถ้ามาไปมันก็จะเมามะทะพัตโตเมาในอาหารกินแล้วง่วงห้าวเานัา่งสบายดีเดียมกหลบ สังเกตดูได้ถ้าเราบริโภคมากวันนั้นนั่งสมาธิจะไม่ก้าวหน้าจะหลับง่ายจะอ่อนเพลียมันเมามันมาอยากเข้าใจว่ามองแต่เล่านะอาหารที่กินม า, มากๆเนี่ยถ้าเรียกว่ามัทะพัตโตพหูหิปริปันโขอันตรายมากทีเดียว ในความเมาอาหารนี้แต่พวกเราไม่ค่อยสำเนียกไม่ค่อยเข้าใจแต่เข้าใจก็ต่อเมื่อได้สัมผัสจริงๆบริโภคมากไม่เหมาะสมกับพวกเราผู้ใช้พลังงานแรงงานน้อยชาวบ้านต้องบริโภค ต้องกินต้องรับประทานอาหารถึงวันละสามครั้งวันละสามเวลามันเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของขารว า, าแต่พวกเราเวลาเดียวก็พอดีพองามถ้าถึงสองก็มากเกินไปแล้วทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นบริโภคขันหนึ่งในวันหนึ่ง พอดำรงชีวิตที่ไม่ได้ใช้พลังงานมากในการสแสวงหาในการผลิตมันพอดีกับยาปนายะที่เราสวดเพียงเพื่อความเป็นไปได้แห่งร่างกายนี้แต่ถ้าทำงานหนักหนักหน่อยเคลื่อนไหวมากมันก็ควรจะสองครั้งพอดี วันละสองครั้งแต่ถ้าทำโอเวอร์ทามขอใช้ว่าโอเทามนะกลางคืนก็ยังมีงานทำอีกจะต้องใช้พลังงานอีผู้คนหลากหลายเขาคําเขาดรงชีวิตกลางคืนเขาทำงานอีกทำงานโอเวอร์ทามงานสื่อพันไม่ใช่งานเบาแต่ต้องกินอีกืคอครั้งหนึ่งเอาพลังงาน อ๋อดีสิแปลนพอไหมโอเค้ลยเนาะโอเคดีให้มองเข้มให้มองเห็นภาพครบพทดาทยมีแค่ในไม่มพอพลังงานที่จะสืบต่อหล่อเลี้ยงสืบพันต่อไปไม่พอมันจะพายพร้อมจะไม่มีคุณภาพ ถ้าเราพวกเราสิเหล่านั้นไม่มีวันเดียวครั้งเดียวเหลือเฟือผมฉันวันละสิบสองคำทุกวันผมจะต้องกำหนดจะเป็นปกติและก็ไม่เห็นรู้สึกวัจนจะเหนื่อยเมื่อไรอะไรเพราะไม่ได้ใช้พลังงานจากอื่นงานอยูนี้พวกเราทำเพื่อเพื่อไม่ได้เสื่อมพัน เพื่อให้วันศูนย์นพันเออออเพื่อเกิดความศูนย์พันทุกสิ่งทุกอย่างที่ังมีอยู่นะที่ว่านี้เสียายอยู่บ่คือมันบำเพ็แนวดีบ่เด้อเด้อเดี๋ยววร้เราสายไเลยเราตื่นตื่นมานดึกเช้าเ้าจะสดชื่นแจ่มใสมองฝึกหัดพัฒนา และอย่าเข้าใจเลยเถอะไปว่านั่งมากทรมานมากจะทําทให้เป็นโลออกม า, ากพลาดง่ายาจ่มสมภพจะไปคิดนะคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันอันนี้มันเกิดมาจากหลายสาเหตุหรอกไม่ใช่ไปนั่งมากนั่งน้อยด้วยซ้ำไปถ้าผมได้นั่งมากๆสบายๆอยู่คนเดียวผมไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช้งานมาก วิสะปริหาราอาภาถาสมุทฐานาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากการใช้งานเกินไปบริหารไม่สมคำเสมอพราะ ม, มีความรู้สึกว่าบางครั้งเรานี่เกิดมาเพื่อจะทำงานอย่างหนักนะตอนไปแสดงครรยจสนหรัฐอเมริกา เดินทางจากวอชิงตันไปนิวยอร์กกลางคืนพราะพรุนี้เช้า4โมงจะต้องแสดงธรรมที่นิวยอร์กฝรั่งเขาซื้อตรงต่อเวลาเราจะต้องซื่อตรงเหมือนกันต้องเดินทางแต่กลางวันก็ไม่มีเวลาพอจะทําอยู่ที่อื่นจบแสดงธรรมมาแล้วเจ็บแปดกัน ในขณะที่เดินทางไปเกิดพายุพายุใหญ่พายุไซโคลนพายุทรโนโดเข้าทางฟลอรดาไมอ า, ามีฟฟาดหางเข้ามาโอ้ดูนแรงมากรถจนเป็นพันเป็นหมื่นคันต้องจอดทางสีเเลนด้รถจอดเต็ม เป็นสี่ห้ากิโลวิ่งไม่ได้เขากลัวเดี๋ยวมันจะหอบรถให้เป็นเครื่องบินไปแต่รถเขาไม่หยุดถ้าคืนหยุดเขาเขาก็จะไม่ทันเวลาพู้นี้ก็ต้องขอร้องให้คนขับพยายามประคองรถขับช้าๆดูกลระมัตระังไปช้ารถเขาหยุดหมดทุ ก, ทกขคันพอดีเขาเปิดทางให้เราคนขับก็ใจบุญใจปั้ม พนมมือไปด้วยขับไปด้วยแกคงจะกลัวไอ้แกแกพูดว่าถ้าบริมากรอาจารย์ไม่กล้าไม่กล้าขับอะไรก็ยิ่งสบายใจคนอื่นเขาจอดหมดเขาเปิดทางเราไปเรื่อยฝนก็ตกลมก็ลมจนไปไปถึงจนได้เพาว่าหน้าอ า, าจารย์ไม่ต้องอ า, าจารย์ดอกเ น, อนี้ยไปยังไงมาคิดดู ว, ว่าพระอื่น ที่ท่านมาอยู่สหรัฐอเมริกากอดเราเป็นยี่สิบสามสิบปีในขณะ น, นี้ท่านคงจะนอนหลับสบายแต่เราเพิ่งจะมาสามทบไม่ได้พักต้องไปทั้งกลงวันกลาคืนเอถ้าเราตาลงในขณะ น, นี้คงจะสมเสกสีลูกศิษย์พุทธเจ้าที่ทำงานตาคขาสนามพบไปโน่นถ้าทำด้วยความพอจะไม่มีความสุข้วยนะไม่ได้ทำด้วยความจาใจนะ งานพอมันมากทั้งขนาดนั้นแหละจบจากนิวยอร์กต้องเดินทางข้ามน้ำตกในอังกงไปที่ออนโตริโอเคนาราเดินทางต่อไปที่มอนทอโอกแล้วก็เฟเดกไปแสดงหาวิีโนี่น้าวสา ม, มุลลา ขากับจะต้องรีบมาเปิดดิทรีบมดิเทชันเปิดโอรมสมาธิภาวนาบวชชีพามให้ฝรังอยู่ที่วอชิงตันดีซีที่ซิเบอร์สปริงมิลเลนเครื่องเครื่องบินอย่างดีมาถึงโตรอนโตเขาปล่อยทิ้งเขาบอกว่ า, วาต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปไม่ได้เสี่ยงอันตราย กัวเครื่องบินจะอับปางพบพายุยังยังรุนแรงอยู่ไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อชีวิตคนโดยสารได้เราจะไปบอบชิงตั้งเครื่องบินเมื่อพาเราไปเขาจะไปโน่นไปที่แวนคูเวอร์แล้วก็ต้องลงกระเสือกระสนกระวนกระวายเพื่อจะให้ทันเวลาที่นัดหมายไว้ ที่ซินเวิร์สสปริที่เมลลี่แลนด์ไปหาคือบินเดินให้ว่อยจนในสนามบินตรอนโต๊เป็นสัตว์ประหลาดไปเลยตัวเหลืองๆเขามองเป็นตาเดียวกันใครนก็จะถามจะพูดล้วก็ยิ่งใจร้อนเป็นทุกข์ด้วยในที่สุดได้คือบินตอบสองแถวออปมนหลดสองแถวเวยคือบินมี ถ้าบางประเทศเขาบอกว่าเขาไม่ใช้คิวโดซานไม่มีเธอไินั่นจอดดอกถ้าจะไปเขาก็รับไม่ได้เพราะเขารับรับผิดชอบไม่ได้ถ้าเป็นอะไรไปเขาก็รับผิดชอบไม่ได้กล้าไหมเขาบอกว่าถ้าจะตายถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วบอกว่ายิ่งกว่ากล้าพราใจมันมุ่มงมั่นที่จะไปทํางานให้ทําเวลา ข อ, อ ก, กระดาษมาให้จดให้เซ็นเซ็นใบตายไม่ให้มีเรื่องเราก็เซ็นก่อนแล้วก็บอกมหานิธิที่ไปด้วยให้เซ็นเซ็นอะไรอาจารย์เราก็บอกให้ฟังหน้าหรือเอืเ่อไปฟังไกลตง่งมจะตายก็ต้องเซ็นถ้าม่ชนะอยู่ตรงนี้คนเดียวคงจะไป่อนเพราะงานของผมมันมันมันถก แกก็จอมไปด้วยคขาวินมือมันบินจะเอาหางไปทางหัวลมพัดมองดูท่านอาจารย์มหานิธิหน้าเลืองเข้าเรืองเข้าวันนี้แล้วก็ตายเซลเซตากันอากาศพอลงครือินได้ก็ยกมือท่วมหัวเขามไม่จอดในในในในเทอมินอนเลยจอดกลางสนามเพราะไม่ใช่ครือินโดยสารฝนก็ตกหนักลมก็แรง เขาเอาล้มมาให้คนละคันลงใจขึ้นเป็นปั๊บลม้มขึ้นข้าบนเปรียบเหทั้งตัวเดินลองอไปรีบจ้างแท็กซี่บึ่งไปจนทันเวลาเลยอยู่สีนาทีไปถึงกอโอเพ่นดิ้งเลยเปิดเลยได้บันทึว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานและทุกข์ยากลำบากที่สุดในชีวิตแต่วันนั้นมาอีกเดือนหนึ่งก็มาเป็นอย่างนี้อยู่ที่ประเทศไทย ไม่ใช่เกิดบัญการนั่งมากดอกการนั่งสมาธิถ้าละปรับให้ ม, มันเกิดความสมดุลเกิดความพอดีที่เรียกว่าวิริยะสมาตามันเหมาะเจาะเหมาะสมกลมกลืนกันทุกอย่างมันจะดีงามทั้งกายทั้งจิตไม่นำมาซึ่งโรคภัยท้าเจ็บตอกอย่า ก, กลัวพระอริยบุคคล พระอนาคามีพระอรหันต์ท่านนั่งอยู่ในนิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันนั่งได้อะไรเจ็ดวันไม่ใช่นั่งเป็นชั่วมงสองชุ่วโมองอย่างเรานิโรธสมาบัติของท่านไม่เคลื่อนไหว ไม่มีการไปการมาไม่มีการดื่มการลิ้นการกินการทาอุจาระประสะัสสะยิ่งไปกว่ น, นั้นไม่หายใจไม่ใช่นคนตายนะมันคิดกับคนตายนิดเดียวถ้าเอามือไปำํำคำบางขี้ยังอุ่นๆขนาินนะี้ขี้ในกลางล่างกายยังอุน่นยยังมีไออุ่นอยู่ แต่หากหอยู่เกินกว่าเจฟันมันจะตายจริงๆไอ้อุรนะนั้นมันจะซึมออกไปซึมออกไปข้างนอกในที่สุดก็จะหมดพริงๆแต่ไม่ปรากฏว่าในสมัยพุทธกาลหรือสมัยไหนก็ดีไม่เคยปรากฏในตลาเลนะ่นไหนว่าพระอราหันต์เหล่านั้นพระอนาคามีเหล่านั้นเป็นอมภาคอมภานะมันเป็นสตาบรีนะ อมวาตะแปลงวะเป็นาพาเป็นอมภาพลมเดินไม่สะดวกเลือดฝ่ายน้ำก็ไม่สะดวกด้วยฝ่ายก็ไม่พอแต่เมื่อรากว่าท่านเป็นอะไรอะไรเลยแล้วล่ะพวกเรานั่งเพียงสองชั่วโมงไม่เป็นไรดอกคนเรา จะได้ชีวิตทีด่ดีงามไม่ใช่ได้ฟรีๆต้องได้วาด้วยการฝึกมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษคือสัตว์ไม่เหมือนสัตว์อื่นฝึกได้ไม่มีขอบเขตถ้ายังไม่ได้ฝึกมนุษย์เสียเปียบสู้สัตว์ดีรชานไม่ได้ ถ้าได้ฝึกขึ้นมามนุษย์ประเสริฐกว่าเทวดาประเสริฐกว่าพรมทั้งเทพก็ชื่นชมพรมก็สรรเสริญก่อไปเพราะความเป็นพิเศษของมนุษย์เพราะฐานะเลอของมนุษย์มนุษย์ทีเป็นสัตว์ทีรวัาธามะสัตโตธรรมะสัตตาสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ธรรมะนะครับธรรมะ ธรรมแปล่าฝึกแปลมาคมทอทหารมอมาไม่ใช่ทงมีคำกล่าวของนักป่าฮินดูศาตนาพรามโบราณผู้มาก่อนพระสมานกับพระเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกเขาพูดปา อาหารนิทาพระยะเมธุนันจะสามัญเนตประศุทูุภิณารังแต่ว่าการกินอาหารการนอนหลับสบายนั่งเหลัาก็เป็นนั่งโกรนก็เป็นการหวั่นกลัวต่อภัยอันตราย คือความตายเป็นหลักและการสืบพันธ์ระหว่างเพศมีถุนมีถุนพระตาบดีว่าสืบพันธ์พระสืบพันธ์สีอย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ฟังแล้วคิดนะคิดสีอันนี้เป็นของธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด มดตัวแดงแมงตัวน้อยถึงผู้ถึงคนถึงเทวดาไปนู่นจริงจริงจงชื่อว่าสัตว์ด้วยกันมันคล้องงข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละสัตว์แปลว่าู้คล้องตอนต่อมามีคำกล่าวตามมาว่าถ้าโมหิเต αι, สร่างอธิโกวิเศโสพอเวลาเราเราแปลอภเพออีกแบบหมง าปลว่าธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์เท่านี้แต่ความจริงมันไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เพราะไม่ใช่ธรรมะโตทอทองมันเป็นทอทหารธรรมะแปลว่าฝึกถ้าโมหิเตสร้างอาธิโกวิเศษโสวิเศษสรแปลว่าแปลกกว่าเขา ส่วนที่เหลือส่วนที่มีไม่ได้แปลว่าดีกว่าเขาวิเศษกว่าเขานะการได้ฝึกฝึกขัดพัฒนาเท่านั้นทำให้มนุษย์นี้วิเศษไม่เหมือนสัตว์แปลกประหลาดมกว่าสัตว์สุดท้ายท่านสรุปว่าธรรมานิปหิณังปสุภิสมานาถ้าขาดการฝึก การหัดนะแล้วคนและสัตว์ก็อเซมเซมคือกันคือกันอ่อนเซมคือกันเบิดทอ่อกันนั่นสะื่าแตามไว้ให้ดีเรามาฝึกวันนี้ครึ่งทางแล้วนะถ้าไม่ได้ฝึกเลยมันจะคือเกา่าถ้าฝึกไปมากๆมันจะแปลกกว่าเกา่าจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสรุปแล้วชีวิต ของคนและสัตว์ทั้งหลายจะดำรงตัวดำนินชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ instinct of pride คำนี้ทำไว้ให้ดีสัญชาตญาณราะว่าความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตภาษาสมัยใหม่เขาใช้ว่า instinct of pride อินนะ แต่ว่าสัญชาตกานแห่งชีวิตมีอะไรบ้างการกินการนอนการบันกลัวต่อภัยอันตรายย่านตายบอกไม่ใครบอกเป็นเองตัไปเกิดมากที่ได้ข่าวว่าลงเรียนดูกว่าเรียนสอนวิธีกลัวตายมีไหมสอนวิธีนอนหลับแท้ๆมีไหม มานี่ยังไม่เรียสอนเลยนั่งหลับไปเลยก้นข้อกองน <c oughs> ู่นนั่นมาแต่แฟนแทรออยานและตัวสุดท้ายซื้อพันมีโรงเรียนสอนไหมเป็นเองนู่นคือได้บอก่อกก็ห้อห้ดีละสารเสือ่อวิสัยสมต่างล้อบันไดเกิดกลัวกันห่างกันหักหอมวิม่งไปได้บอกเขาเลย เป็นเองสียานนี่มันเป็นเองนะมันเกิดมาพร้อมกับชีวิตและชีวิตทั้งหมดมันก็หมุนเวียนประกับสิ่งเหล่านี้แหละหมุนที่ประกอบสิ่งเหล่านี้ไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้แหละแสวงหาสิ่งที่มากินแสวงหาที่หลับที่นอนให้มันสนุกให้มันสะดวกสบายให้มันดีมงามให้มันเกลื้อนกลนให้มันดีเศษปานี้คือไปแล้วก็หาวิธี โลบลีกปีกหนี้จากภัยจากความตายจากสิ่งที่น่ากลัวหาวิธีการต่อสู้จนสามารถสร้างระเบิดสร้างขีปนาวุธขึ้นมาเข่นข่ากันก็เพราะภัยอันนี้แหละภัยะภัยยะภัยะภัยอย่างเนี่ยมันแปลว่าความกลัวแต่พวกเรามันแปลงเอาเฉยๆหอกยังไม่ได้แปลก็แปลว่าภัยตามภารตะบริภัยนั้นแปลว่ากลัวนะแปลว่ากลัว และการสืบพันธุ์อันนี้แหละที่เราหมุนนุ่นหมกมุ่นวุ่นบุ่นบายจกแสวงหาจกที่รนอยู่ต่อสู้อยู่ยื้อแย่งแสวงหากันจกแย่งที่กันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นจา่เป็นโตเพื่อจะสแสวงหาสิ่งเวลานี้ยไว้ในอำนาจมากๆที่มีปัญหาถ้าไม่ได้ฝึกถ้าไม่ได้ฝึก อยู่เหนือสัญชาตญาณเหล่า น, านี้มนุษย์เจริญร้าวยิ่งกว่าสัตว์ที่พูดว่าธราโมหิเตสังอาทิโกวิเศโสเราแปลว่าธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปะสุพิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้ว คนและสัตว์ก็เสริงกันเหมือนกันควรจะแปลมันว่าถ้าขาดทำเสร็จแล้วคนนี่แหละจะเรร้าไปยิ่งกว่าสัตว์ในสิ่งที่สัตว์ทํามได้คนทําได้มนุษย์ทําได้ถ้าขาดศีลขาดทำคำําจุนจิตใจแล้วมนุษย์นี่แหลจะเรีร้าที่สุดไปยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายจะเบียดเบียนจะขบแข็งจะเทงข้ากันอันนี้คือสัญชาตญาณ แต่คำที่ว่าเทโมหิเตสังอาทิโกวิเศษโสการฝึกหัดพัฒนาเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้คนนี้แปลกพิเศษดีงามไปกว่าสัตว์นี่หมายความว่าะอะไรครับหมายความว่าการพัฒนาจากสัญชาตญาณ ที่ละามาเนี่ยเราพัฒนาสังฆทาณเป็นภาวิทยานลองเขียนดูยสยนักศึกษาจากสังฆท า, านสู่ภาวิทยานเราไปหมดแล้วน่าสงสารที่สดุดทางผู้เทศผู้พังเห็นแต่ทางทางท่านท่านปริยาโททางนู้นท่านจดจองปริปริยาตีหลับเลย ภาวะสัญชาตญาณคืออะไรภาวิทยาญคืออะไรเม่รู้เรื่องหรอกฟังไปเฉยนี่นำ้ำฉ้ำโกนด้วยหรือปริยาเอกเลยว่างนางโกนอยู่ตรงนี้จากสัญชาตญาณมันเป็นภาวิทยาญาณภวะวิตาภาวะวิตาเป็นภาถาบริีแปลว่าพัฒนาภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าอินเทอร์เรชั่ มันดูให้ดนะีมันง่ายจอมง่ายที่จะจำด้วยภาษาบาลีจะลงท้ายคำว่าดานดานภาษาอังกฤษ จ, จะขึ้นขึ้นตัวคำว่าอินเมื่อกี้ในสองอินแล้วก็สองดานด้วย instinct of right และ intelectual อินแรกคือสัญชาตญาณอินสอง intelectual คือภาวิทยากาความรู้จิ่ซี่จะต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่มามันมาควบคุนตัวนี้มันไปตามเอาหน้าของตัวนี้อยากกินได้ก็บาเลยกินเราควบคุมมัไว้ให้กินมากๆตามมีํามเกิดเต็มโต ก, ก็จะเอาเต็มปากก็ไม่ได้นะมันจะต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเป็นภาวิทยาการมาพระพุทธเจ้า บ, จบอกให้เราให้เรารู้จัก ให้เรารู้จักป้าโฮชเชนีมาตันยูตานะตัวนี้นมันเป็นด่านตัวใหมนที่เราพัฒนาขึ้นมาคือความรู้ถ้าตามความรู้สึกเรามีเท่าไหร่มันก็มันก็จะกินหมดใช้หมดชอบตัวนั้นมันก็เอาอยากกี่เวลาใดมันก็กินได้แต่ ก, กินตอนเย็นมันกิ น, ก, นกินกลางคืนก็กินนอนหลับตื่นขึมันกินนีงก็ได้แต่เรามีผาวิทยาศาสพัฒนาความรู้นี่คือมาควบคุมความรู้เก่า เมื่อสามารถพัฒนาภาวิทยานคือพัฒนาความรู้ความสามารถข้อวัดป ฏ, ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติขึ้นมาลงตัวแล้วจะให้ผลใหม่ออกมาแต่มีลักษณะบุคลิกภาพการดเนินชีวิตที่แปลกไปกว่าเราเอีกจะเป็นญาณใหม่ที่เรียก ว, วิปัสนาญาณ อา้ายานที่สามเลนะสามแลยนะตัวนี้ภาษาสมัยใหม่เขาจะใช้คำาินชู i t ฟสป i ด e องนั่นสามอินสามสามยานสามอินที่เรามาทำอยู่ตรงนี้เรามาพัฒนาจากสัญชาตยานมาวควบคุมถ้าวิจารณ์เราจะไม่ผิดกับสัตว์เหมือนกันเท่ากัน ส, สัตว์มันดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตธรรานเราไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยสัญชาตธรรานถ้าปล่อยให้สัญชาตธรรานทำงานเราจะเบียดเบียนกันจะเข็นจะฆ่าจะยื้เยื้อจะข่มเหงกำลังแกกันยิ่งกว่าสัตว์สัตว์เวลามันเกิดมาอย่างลูกเป็ดลูกห่าน พ่อแม่มันไม่ได้สอนเลยพอเกิดมาพบตอนเช้าตอนสายมันก็กาลงน้ำํำว่ายไปกับแม่มันได้แม่ไม่ได้สมนไม่ได้สอนเลยมันเป็นเองโดยสัญชาติ อ, อย่างแต่คนเราไม่ใช่อย่างนั้นชี้จะดีจะ ง, งามต้องฝึกหัดต้องหัดต้องอดต้องทนต้องฝึกฝนพัฒนา เราเกิดมาแล้วอาศัยพ่ออาศัยแม่เป็นกูบาอาจารย์ให้เราฝึกตั้งแต่กินก็พ่อแม่ฝึกให้ดับยาสยปากให้ฝึกกินฝึกขับฝึกถายเอาเราไปใส่ช่องทาสะอาดให้เราสอนนุ่งห่มก็พ่อแม่ฝึกให้พูดจาก็พ่อแม่ฝึกให้ ยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดการดำรงชีวิตได้รับการฝึกขัดมาจากพ่อจาไม่เกิดมาได้สักสิบปีถ้าปล่อยทิ้งเลยตายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณชีวิตมนุษย์จะต้องได้มาอย่างดีงามด้วยการฝึกสูงขึ้มารับฝึกใหเก่งขึ้นมาขึ้นมาค น, นนั้นเดิฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นคนเรา ลองมองไปทางทางชั่วแล้วจึกมองมาทางดีเขก็จะเห็นบบไม่ใช่มันเป็นได้ ง, ง่ายๆมันฝึกเอาอย่างกินเหล้าไม่ใช่อร่อยอร่อยเป็นยาพิษทั้งขมทั้งคืนทั้งฝาทั้งเ ฝ, ฝื่อนทั้งเผ็ดหน้าบูดหน้าเบี้ยวกินกไปแอาเจียนรากออกมาปวดหัวมัวเก่า ด้วยความปิดใจของมนุษย์ที่คิดว่ากินอันนี้มันดีมันก็มันกล้าหาญมันงดงามมันสงาา่าผ่าเผยวัดกันดูค่านิยมของสังคมสมัยนั้นก็ฝึกกินหม่ก็รากขมขื่นอาเจียนบางทีเมาไม่รู้เรื่องแก้ผ้าเดินขับถนนคนเดียว มันทีราอาเจียนจนให้สุนัขมาช่วยเก็บให้น่าจะเข็ดแต่ละบแต่พอพ อ, พอสา่าเมาเอาอีกฝึกอีกแยกเข้าไปกินเข้าไปนานๆเข้าก็กินได้อ่าสบายเป็นของอร่อยซื้อกินทําแห่งเขาดังซื้อนี่ฝึกได้ฝึกสูบบุรีไม่ใช่ง่ายเมา ดูแล้วก็ซื้อซูมมันผ่านคือออกจกมูกให้ได้ไมันจะของง่ายสมารคักแขนไอจามปวดหัวเศร้าโศกเอากรอบมาม้ขนาอัดแปะมา ก, ก็เลยติดเก่งมีมนุษย์ความเป็นพิเศขษของมนุษย์ทางชั่วนะถ้าใครจะมวนบุหรีก่กรอบโตๆมวนัวๆไปหนันให้ควายสูบทุกวันทุกวันเวนาลามวนมันจะไงมันก็ไม่ติดอก ไม่เก่ง ม, มนุษย์เอาเล่าไปกอบควายมันยังไงมันก็คบไม่ติดมันจะต้องอาจเจียนเราจะเห็นถึงขวานจะวิ่งหนี่แต่มนุษย์ทำได้หัดกินยาพิษก็ได้กินของมองๆก็ได้ทีนึงถ้าเราจะหัดให้มันดีล่ะจะไม่ได้เลยก็ยิ่งได้แต่มันอาจจะไม่ถกใจสังชาตรยาน มันจะต้องฝืนครับเพราะเหตุนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้มากหมวนั่งคุ้มคิดจงจะไปสอนใครหนอเรื่องที่เราได้พบได้เห็นมันเป็นเรื่องละเอียดสันโตปนีตโตละเอียดปนีตคำพีรัง ลึกซึ้งมากคำภีรถังคำภีรษฐานมีความหมายมีอัดกว้างขวางลึกซึ้งทุรันนุโพถายาที่คนจะเข้าใจตามด้วยใด้ได้ไ ด, ไ ด, ได้อยากมิปุนังเป็นของเล็กของน้อยของละเอียดอนุเป็นอนุละียละเอียดมากไม่จะมองเห็นด้วยตา คุด ท, ทสังเห็นได้ยากเพราะจะต้องเห็นด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติยาย้ไปด้ว ย, ย, ย, ยคือจะต้องปฏิโสตคามินิพุนังเป็นสิ่งที่จะต้องทวนกระแสะต่อความรู้สึกของสัญชาตาญาณมันไม่เป็นรับไม่ไปเป็นไปตามสัญชาตาญาณต้องทวนกระแสะฝื้นทวนสวนขับ ต่อความรู้สึกของสรรว์ชั้นอาจารการกินการอยู่การหลับการนอนการสืบพันธุ์การหวาดกลัวจะฝืนฝื น, นทวนสวนขับต่อสิ่งเหล่านี้ขิดนไปขึ้นมาก็ขออาจจะเหนื่อยเปล่าเราอาจจะเหนื่อยเปล่าที่จะสอนคนอื่นเขาจะาไม่เข้าใจเจ็ดสั ป, ปดาห์ ใช้เวลาพิจารณาในเรื่องนี้อ่ง49วันข้าวไม่ได้กินนะครับเราดูพระตรกิฎกเล่มแรกๆพระไปเล่มที่หนึ่งไปถึงเล่มที่สี่จะได้เห็นในเรื่องเหล่านี้บททีว่าสมโภทิการจะได้เห็นว่าเจ็ดส ป, ปดาที่ท่านคิดคุ้นอยู่ในเรื่องนี้ไม่ได้กินข้าวสักคคิดแต่ในเรื่องนี้ กินข้าวแต่แต่วัววนนู้นวันที่ก่อนแต่สรูที่นางสุชาดาเอาไปถวาย49คำเป็นก้อนหรอ49ก้อนข้าวจะข้าวมัธถุบลายาไอ49ก้อนนี่มันคุ้มมาได้ตั้ง49วันวันละคำคิดดูแล้วแต่พวกเรามันมันมากๆมันจะคุ้มไประเด็นนานเหมือนกันนะถ้าฝึกเป็นในที่สุดในพระทัยของพระองค์ ก็ม อ, องเห็นว่าทุกคนเป็นตถาคตเมืองกับเราที่เรา ท, ที่พระองค์เรียกพระองค์ว่าเราตถาคตคือรถพระองค์เรามาเมือนคนทุกคนเพราะคำว่าตถาคตมันมันมันไม่ใช่ชื่อจริง